คนเราเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็มี2 ส, สภาวะเท่านั้น น, นนะก็คือตื่นกับหลับช่้งปีทั้งชาตินะหรือว่าตลอดชีวิตมันก็มีแค่2 ส, สภาวะหรือ2โหมดนะตื่นกับหลับจิตใจก็เหมือนกันนะก็มี2 ส, สภาวะ2โหมดก็คือรู้กับหลง ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะเราตื่นมากกว่าหลับนะเราตื่นตัชั่วโมง17ชั่วโมงนะหรือสองในสมของวันนะเราหลับ8หรือเจดชั่วโมงแต่ในส่วนของใจเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้นะทั้งวันเนี่ยแม้กระทั่งในยามตื่นเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงยามหลับนะหลับนี่มันหลงอยู่แล้วล่ะแต่ในยามตื่นเนี่ยจิตของเราก็หลงมากกว่ารู้หลงในที่นี่คือไม่รู้ตัวลืมตัวใจลอยนะฝันฟุ้งปรุงแต่งไม่อยู่กับปัจจุบันลองสังเกตดูนะในยามตื่นเนี่ย คิดว่าเรารู้ตัวจริงๆเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์เซน์ีกปดสิบเปอร์เซนี่ยคือหลงนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลงไปตลอดนะมันหลงไปสักพักแล้วกลับมารู้ตัวรู้ตัวสักพักแล้วก็หลงไปใหม่นะใจลอยฟุง้งคิดน่นคิดนี่มันไม่ใช่หลงยาวนะถ้าหลงยาวนี่มีปัญหานะเช่นหลงยาวสักห้านาทีเียนะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้ ขับรถแล้วหลงไปหลงนี่ไม่ได้หลงทางนะคือใจลอยถ้าหลงยาวๆก็จะเกิดอุบัติเหตุฝ่าไฟแดงหรือว่าไปชนคนนั่นคนนี้ก็คเคยมีการทำวิจัยนะศึกษาคนที่ทำงา น, นเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยอันนี้เมืองนอกนะเวลาเจ็ดชั่วโมงครึ่งเราพบว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานทำงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่ชั่วโมงครึ่งนะในบรรดา7จชั่วโมงครึ่งนะก็คือ 20% ไอ้ที่เหลือเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้นะที่ไม่ใช่เป็นงานอาจจะเป็นการอตอบข้ อ, อความ s อ s มตอบไลน์เฟซบุ๊กมึงนอกก็ไม่ค่อยใช้ไลน์นะเขใช้ WhatsApp ตอบอ e ีเมลคือมันจะมีสิ่งที่เข้ามาดึงดูดใจดึงดูดความสนใจให้ละหรือพลาดจากงานที่ทำนะมีข้อความโน่นข้อความนี่เข้ามาหรือไม่ชนนั้นก็มีคนมาคุยอ่ะก็ชวนคุยหรือเผลอคุยหรือบางทีก็ใจลอยเนี่ยดูมันทำงานนะ เชั่วโมงครึ่งนะเพราะว่าอาจจะนั่งอยู่ที่อ า, าจจะนั่งอยู่บนโต๊ะไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอทํางานจริงๆอ่ะชั่วโมงครึ่งที่เหลือไม่ได้ทํางานใจลอยทำโน่นทนํานี่แล้วแต่ว่าอะไรจะมันโผล่เข้ามาอันนี้ก็เป็นปัญหาคนสมัยใหม่มากนะแต่ก่อนเนี่ยคนเนี่ยทํางาน ก็จะมีสิ่งแร้เข้ามาทุกห้านาทีตอนนี้มันมีสิ่งแทรกเข้ามาทุกสามนาทีแล้วทําได้ปักสักพักเดี๋ยวมีข้อความเข้ามาเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวมีอีเมลเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกับงานเลยนะแต่ถึงแม้ไม่ได้ทํางานนะในออฟฟิศนะแนวโน้มที่ควรเราจะใจลอยก็ หรือว่าหลงเนี่ยมันก็มากมากกว่ารู้อยู่แล้วใจของเราเนี่ยมันคล้ายๆว่ามีนิสัยไปในทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งขณะที่สวดมนต์ใจเราก็ลอยอาจจัปดสิบเปร์เซนต์ขณะที่ฟังคำบรรยายนี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปแล้วคิดโน่นคิดนี่จะให้ มีใจจดจ่ออยู่กับคำบรรยายต่อเนื่องเนี่ยก็คงไม่เกินนาทีแล้วก็ไปก็แล้วงั้นถ้าเราปล่อยใจเราไปอย่างนี้นะมันก็นอกจากจะทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แล้วก็จะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามากลุ่มๆรุมแเราจิตใจได้ง่าย เดี๋ยวคิดไปถึงบ้านก็ห่วงลูกเดี๋ยวคิดไปถึงงานก็หนักใจนะงานไม่เสร็จเยอะแยะคิดไปถึงบ้านอยังไม่ยังหาเงินผ่อนเนะมื่อไหร่มันจะผ่อนเสร็จสักทีหนักใจนะฟังบรรยายไปใจก็หนักไปด้วยใจก็กลุ้มไปด้วยมันเป็นนิสัยนะที่เราสะสมมา สั่งสมมาเป็นเวลาเรีวตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้ในการที่เราจะมาทําความรู้สึกตัวมันคือการสร้างนิสัยใหม่ให้กับจิตใจแต่ใหม่ๆนะนะจะสร้างนิสัยใหม่ยังไงเนี่ยมันก็โดนนิสัยเก่าครอบงําอย่างเช่นคนที่เคยตื่นสายเนี่ยจะพยายามตื่นเช้ายังไงเนี่ยใหม่ๆมันก็ยาก เพราะว่า น, นิสัยที่ตื่นสายมันก็จะมาคอยฉุดคอยรั้งนิสัยเก่าเนี่ยมันฝังรากลึกแล้วก็ไม่ใช่ไปง่ายๆเนี่ยมันมีคำพูดสำนวนฝรั่งว่านิสัยเก่าตายยากนะ O oh, habit die hard เนี่ยตายยากนะมันเปรียบไปก็เหมือนกับว่าเป็นร่องน้ำนะ ร่องน้ำเนี่ยน้ําก็ไหลไปตามร่องทีแรกเนี่ยเราเป็นคนสร้างร่องขึ้นมาเวลาเราแต่ก่อนเราเราจะทําร่องน้ําเนี่ยใหม่ใหม่ก็ต้องสร้างร่องให้มันขุดเป็นแนวเป็นร่องแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยนะมันก็จะไปตามร่องแล้วมันก็จะสร้างร่องของมัน เวลาเราจะเปลี่ยนทิศทางของน้ําเนี่ยด้วยการขุดร่องใหม่เนี่ยเราจะพบว่ามันมันจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนไปสู่ร่องใหม่เท่าไหร่น้ําก็จะไปร่องเก่าอยู่นั่นแหละเพราะร่องเก่าเนี่ยทั้งกว้างทั้งลึกกระแสะใจก็เหมือนกันนะใจของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราพบว่าโอ้มันเป็นจิตที่ชอบฟุ้งซ่านใจลอยหรือว่าเป็นจิตที่ชอบคิดลบ เวลาเราจะเปลี่ยนทิศทางของจิตเนี่ยจากคิดลบให้เป็นคิดบวกจากหลงให้ากเป็นรู้หรือว่ามีสติรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็คือการพยายามสร้างร่องใหม่ให้กับน้าแต่น้าก็ยังไปร่องเก่าอยู่นั่นแหละแม้เราจะขุดร่องใหม่ขึ้นมาน้ามันไปร่องใหม่นิดหน่อยแล้วมันก็ยังไงก็ไปร่องเก่า อย่างเกเวลาเราปฏิบัติเย่าเราเจอสติเนี่ยนะเราหลงเราฟุ้งเนี่ย8ปดสิบเก้าสิบเปอร์ซนไอสิบอร์ซหรือไม่ถึงสิบซนี่คือความรู้ตัวแล้วเราก็พยายามฝึกเพื่อให้มันมีความรู้ตัวมากขึ้นแต่ว่าวันวันแรกสองวันแรกมันก็จะยังฟุ้งอยู่นั่นแหละมันก็ยังใจลอยนั่นแหละก็คือหลงหรือลืมตัว บางทีทำทั้งอาทิตย์นะมันก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากมันยังฟุ้งอยู่นะบางคนก็รู้สึกท้อนะโอ้ยทามาเป็นทั้งมาเป็นอาทิตย์แล้ะมันยังมันก็ยังหลงนะหลงเป็นหลักรู้เป็นรองอันนี้ธรรมดานะร่องใหม่เนี่ยนะมันต้องขุดต้องใช้เวลา จนกว่าร brain, ่องใหม่เนี่ยมันจะเริ่มลึกนะพอร่องใหม่เริ่มลึกแล้วเนี่ยน้ำก็จะเริ่มไปร่องใหม่ลแล้วแต่ส่วนนี there, okay ่ก็ยังไปร่องเก่าอยู่นะแต่พอน้อมน้ำเริ่มไปร่องใหม่เนี่ยมันก็จะกัดเสาะให้ร่องใหม่เนี่ยลึกแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นถึงจุดหนึ่งนะน้ำมันจะเทมันจะหันเหไปร่องเก่าแล้วไปร่องใหม่แล้วน้ำมันจะหันเหไปร่องใหม่ ถ้าหากว่าร่องใหม่เนี่ยกว้างและลึกพอแล้วร่องเก่าก็จะเริ่มค่อยๆตื้นค่อยๆตื้นเขินหรือค่อยๆแคบลงต่อไปนี่ร่องใหม่เนี่ยนะพอน้ามันมันมันเทไปร่องใหม่เนี่ยโอ้ร่องใหม่ก็จะกว้างแล้วก็ลึกส่วนร่องเก่าก็จะค่อยๆแห้งค่อยๆตื้นเขินแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ย ตรงที่ผ่านธรรมศาสตร์และศิริราชเนี่ยแต่ก่อนไม่มีนะน้าในน้ําเจ้าพยาเดิมเนี่ยมันไปทางคลองบากกอกน้อยแล้วไปออกคลองบากอ ก, กใหญ่เรานึกภาพนะออกจากคลองบากอกน้อยแล้วไปออกทางคลองบากอ ก, กใหญ่ตรงกองทัพเรือ น, นั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะคือแม่น้ําเจ้าพยาเดิมนะเจดีย์นี้เป็นไงมันกลายเป็นคลองไปแล้ว ส่วนแม่น้ำเจ้าพยาที่ผ่านธรรมศาสตรีลา์เนี่ยแต่ก่อนเป็นคลองนะเขาชื่อว่าคลองรัดแต่ก่อนมันก็คลองเล็กๆนะแต่ว่าพอขุดไปนานๆเนี่ยนะ้าเนี่ยมันก็มันไม่ไปทางสายเดิมไปทางสายใหม่มันก็ไปทางคลองรัดเนี่ยคลองที่มันเคยแคบเคยตื้นเดีย๋ยวนี้มันมันใหญ่แล้วนะกลายเป็นแม่น้า ไอ้ส่วนแม่น้ำนะมันก็กลายเป็นคลองเพราะว่าน้ําก็ไม่ค่อยไปทางนั้น เ, เนี่ยการที่เราเจริญสตินะเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยมันคือการสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจแล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่านิสัยใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลากว่ามันจะอ่ากว่ามันจะกลายเป็นนิสยัย ความมายาการเป็นความเคยชินแล้วพอมันกลายเป็นนิสัยมันตายของมันเองนะใหม่ๆเนี่ยนะเดินจงกลมสร้างจังหวะก็หลงไป8 9เรซแต่พอปฏิบัติไปนานๆ น, น, นะความหลงจะลดลงลดลงลดลงถึงจุดหนึ่งนะไอความรู้ตัวมันจะมากกว่าความหลง อาจจะรู้ตัวสักหกสิเปอร์เซนหลงสี่สิบเอร์เซนตแล้วจะทําทไปเรื่อยๆนะความรู้ตัวก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันรู้เองเลยนะตอนเราจะรู้เองเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บนะแต่ก่อนนี่ไม่ใช่เลยนะรู้ตัวยังไงเดี๋ยวก็ห ล, ล, ลงอีกรู้ตัวยังไงเดี๋ยวก็หลงอีกนะหลงพ่าะอะไรนัใช่คําว่ามันมันมีน้ําหนักนะไอ้ความหลงมันมีน้ําหนักมันก็ชุด นะจิตให้มันเข้าสู่ร่องของความหลงแต่พอเราปฏิบัติมากๆนี่จเจริญสติถูกวิธีนานๆสม่ำเสมอตัวหลงเนี่ยมันมันจะค่อยๆมีพิษสงน้อยลงจิตมันจะโน้มไปทางรู้ตัวรู้ทันคิดเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บแบบที่เราอัศจรรย์มากเลยมันโผล่มาเมื่อไหร่ไม่รู้นะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะ เผอปุ๊บรูปปเผอปุ๊บรูป ป, ปมันเมื่อกระดาน6กนะกระดาน6ที่แรกเนี่ยมันก็ไปในทางความหลงแต่พอกระดานมันพลิกกลับนะมันก็ไปในทางความรู้นะแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความเพียรเมื่อรัก30 40ปีก่อนที่คณะอักษรจุลานะมีอาจารย์ ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเป็นคนที่น่าสนใจมากนะชื่ออาจารย์โยนิโออิชิอิตอนนี้เสียชีวิตไปละอาจารย์สอนประวัติศาสตร์วศ า, าไทยด้วยนะเป็นคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีแต่ว่ามีความรู้ด้านภาษาดีมากภาษาไทยนะภาษาอังกฤษภาษาอิตาลี ไม่รู้จะรวมยังกรีกโรมันด้วยรึเปล่ากรีกหรือลาตินบาลีสันสกฤตนี่ก็รู้ไม่รู้ไปถึงเทวนาครีด้วยรึเปล่าคนก็ชมว่าอาจารย์โยนิวอาจารย์อิชีเนี่ยเป็นอัจฉริยะอาจารย์ปฏิเสธบอกบาวเลยเป็นเรื่องของความเพียรพยายามอาจารย์บอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าจะเรียนให้คล่องนะ มันเปรียบเหมือนกับตักน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วรู้จักกระชอนไหมกระชอนนี่เวลาตักน้ำเนี่ยนะมันได้แค่หยดสองหยดเท่านั้นแหละกว่าน้ำจะเต็มแก้วเนี่ยคิดดูเนี่ยมันต้องใช้มันต้องตักกี่ครั้งท่านบอกว่าเนี่ยภาษาภาษาเนี่ยสับแค่สับคำหนึ่งเนี่ยถ้าเราเปิดอีกแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเพราะที่แรกมันไม่ค่อยจําต้องเปิดเป็นร้อยๆครั้งถึงจะจําได้ การที่คนเราจะเรียนภาษาได้คล่องเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาและความเพียรพยายามนะเปรียบเหมือนกับการตักน้ําด้วยกระชอนให้เต็มแก้วไม่ใช่เรื่องอัจฉริยะการเจริญสติคล้ายคกันนะและที่จริงการเจริญสติกับการที่รู้ภาษาต่างประเทศมันก็ใกล้เคียงกันมากเพราะว่ามันต้องทําซ้ำๆเปิดบ่อยๆจํา จำแล้วจำอีกจำแล้วจำอีกที่แรกก็ลืมนะสับตัวหนึ่งเนี่ยก็เปิดหลายครั้งจำหลายครั้งต้องนึกถึงมันบ่อยนึกถึงมันบ่อยหรือเห็นมันบ่อยเนี่ยมันถึงจะจำได้พอเห็นปุ๊บที่หลังจำได้เลยเห็นปุ๊บจำได้เลยมันระลึกนึกขึ้นมาได้ไอ้คามันนึกขึ้นมาได้หรือว่าระลึกขึ้นได้เนี่ยก็คือสตินั่นแหละสะติหน้าที่ หน้าที่หนึ่งก็คือความเราลึกได้เวลาเราเห็นเวลาเราเห็นศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาจีนและเรานึกได้ว่าอ๋อมันแปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสตินะสติแปลว่ า, าลึกได้จำได้แล้วเราก็ใช้สติในแง่นี้เนี่ยนะ ตลอดทั้งวั น, นเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็จำได้แล้วว่าต้องไปรวมกันที่ศาลาใหญ่ศาลาหน้าเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติเสร็จล้วก็จำได้ว่ากุฏิที่พักเราอยู่ที่ไห น, นเราใช้ความจําหรือการระลึกได้เนี่ยตลอดทั้งวัน ในการดาเนินชีวิตแต่ว่าสติที่เราฝึกเนี่ยนะมันเป็นความระลึกได้อีกแบบหนึง่งไอ้สติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นการนึกได้จำได้ในสิ่งนอกตัวเช่นจำได้ว่าถอดรองเท้าไว้ตรงไหนจำได้ว่าบ้านพักอยู่ตรงไหน จำได้ว่าเวลากินอาหารอาหารเช้ากี่โมงจำได้ว่าทําวัดเช้ากี่โมงจําได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนวางกุญแจไว้ที่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนจําได้อันนี้เลยว่าเป็นการระลึกหรือจําได้ในเรื่องนอกตัวแต่สิ่งที่เรามาฝึกกันเนี่ยมันเป็นการระลึกได้ในเรื่องตัวเอง ใช่เราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ขณะที่ใจลอยนึกไปถึงผ้าที่ตากเอาไว้นะก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลังฟังคําบรรยายอยู่เนี่ยอ่าอันนี้เป็นการระลึกได้ในเรื่องตัวเองเระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่คนส่วนใหญ่เนี่ยจําได้ในเรื่องนอกตัวนะแต่ว่าใ้เรื่องตัวเองเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยระลึกได้ไวเท่าไหร่บางคนจำตำราแม่นนะจำมาตราในกฎหมายต่างๆได้แม่นสามารถจะระลึกนึกขึ้นมาได้แล้วกล่าวนะเป็นมาตรามาตราเรียนกันแต่อาจจะเป็นคนที่ใจลอยนะทำอะไรก็ ก็ไม่รู้ว่ากําลังกลังทําอะไรอยู่ก็ได้เวลามาฝึกสติก็จะพบว่าโอ้ยมันใจมันฟุง้งปรุงไปเรื่อยไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่อันนี้พรสติอ่อนสติชนี้เราเรียกว่าสัมมาสตินะสติมันมีหลายหลายประเภทหลายระดับนีที่เรากำลังฝึกคือสัมมาสตินะซึ่งมันช่วยทําให้เราระลึกได้ในเรื่องตัวเอง และทําให้เราเนี่ยรู้ตัวได้ไวไม่หลงเมื่อเรารู้ตัวได้ไวเราไม่หลงเนี่ยการที่เราจะทําผิดนะปล่อยให้กิเลสอารมณ์เข้ามาครอบงาชักนําเราไปในทางลบทางร้ายก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็อย่างที่บอสนะมันต้องทําซ้ําๆกัน น, นะที่อาจารย์อิชิบอกว่าเนี่ยเรียนภาษาเนี่ยมันเหมือนกับตักน้ํา ให้เต็มแก้วด้วยกับชอนเนี่ยจเจริญสติก็เหมือนกันนะเราก็ต้องอดทนหน่อยนะสติมันจะเติบโตทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันก็จะทาให้เราเนี่ยระลึกได้ไวขึ้นไวขึ้นนะระลึกได้ในเรื่องตัวเองระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจไอสมาสตินี่มันยังแตกต่างจากความระลึกได้หรือสติที่เราใช้ในชีวิตประจาวันอีกอย่างหนึ่งนะ ก็คือว่าเวลาเราจะระลึกอะไรบางทีเราต้องใช้ความตั้งใจถามว่าเมื่อเช้ากินอะไรเนี่ยต้องตั้งใจคิดหน่อยเมื่อเช้ากินอะไรเมื่อตอนเพลงกินอะไรต้องตั้งใจนึกถึงจะนึกออกหรือว่าถามว่าเพื่อเราเกิดวันไหนต้องคิดหน่อยถึงจะนึกออกถามว่าสึนามิเกิดขึ้นเมื่อไรต้องตั้งใจนึก ถึงจะนึกออกอ๋อยีธันวาสี่เจ็แต่ว่าสมาสติเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจนึกนะมันอมามันมาเองมันมาเองมันไม่ใช่เรื่องของการตั้งใจเวลาเราหลงนะแล้วเรารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นเองมันไม่ได้เกี่ยวความตั้งใจมันคล้ายๆกับเรากําลังอ่านหนังสือเพลินๆอยู่ แลเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ตั้งน้ําร้อนเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วฝานี้น้ําคงแห้งหมดแล้วหรือว่ากําลังทํางานเพลินๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเรานัดเพื่อนเอาไว้นะสี่มงเย็นไอ้นี่มันห้าโมงเย็นขึ้นแล้วถามว่าที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันออกมาเองแต่คนส่วนใหญ่บางทีมันออกมาช้านะนัดเพื่อนไปสี่โมงกว่าจะดึงได้ก็หกโมงเย็นนะ มันช้านะแต่ว่าสมาไอการจดสติเนี่ยการจดสติเนี่ ย, ค, ยคล้ายๆกันนะก็คือมันนึกขึ้นมาได้เองใจลอย ค, คิดน่อยนี้ระเบินึกขึ้นมาได้วันนี้เรากำลังเดินจงกรมกำลังคิดเรื่องงานก็นึกขึ้นมาได้วันนี้เรากำลังสร้างจังหวะอยู่นี่นะมันนึกขึ้นมาได้เองแต่ว่ามันคิดไปหลายเรื่องแล้วคิดไป เป็นคลุ้เป็นแผลแล้วถึงถึงค่อยนึกขึ้นมาได้ยังช้าอยู่นะแต่ว่าถ้าเราทํำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันจะนึกขึ้นมาได้ไวขึ้นไวขึ้นแต่ก่อนคิดไปเจ็ดแปดเรื่องถึงค่อยนึกขึ้นมาได้ว่ากําลังเดินจงกรมกําลังสร้างจังหวะแต่ต่อไปเนี่ยคิดไปสีห้าเรื่องมันก็นึกขึ้นมาได้แล้วต่อไปทําไปทําไปคิดไปแค่เรื่องเดียวไม่ท่านจะขึ้นเรื่องที่สองก็นึกขึ้นมาได้ รู้ตัวได้ไวขึ้นไวขึ้นถามว่ามันตั้งใจมันไม่ตั้งใจอ่ะมันมาเองแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีคุยหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะมันต้องฝึกมันต้องฝึกฝึกขึ้นมาเรื่อยๆฝึกขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าให้มันเกิดขึ้นมาตามบุญตามกรรมเปล่าเราต้องฝึกฝึกด้วยการมีรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆ นะไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปควบคุมจิตไม่ให้ฟุง้งใครที่พยายามไปควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งเนี่ยนะเสียโอกาสนะเพราะว่าการที่สติของเราเนี่ยมันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมันมันมีโอกาสรู้ทันมันมีโอกาสรู้ทันจะรู้ทันได้มันต้องฟุง้งมันต้องเผลอก่อนนะเผลอเผลอสิบครั้งรู้ทันสิครั้งเนี่ยนะสติมันก็ จะมีความชานิชนานาญมากขึ้นเราฝึกให้เราต้องการฝึกให้มีสติรู้ทันนะเราลึกขึ้นมาได้ไว ๆ, ๆเนีเ่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่มันเราลึกได้บ่อยๆราลึกได้บ่อยๆราลึกได้บ่อยๆการที่มันจะลึกลึกได้บ่อยๆเนี่ยมันต้องเผลอบ่อยๆด้วยนะมันต้องเผลอแบมันจะลึกลึกได้ไวไงถ้ามันไม่เผลอแล้วมันจะลึกได้ยังไงคนที่ไปบังคับจิตไม่ให้ไม่ให้ฟุ้งเนี่ยนะ มันก็มันก็ตัดโอกาสที่จะไม่ให้จิตเนี่ยมันได้ฝึกการระลึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟุกงบ่อยๆเนี่ยอย่าไปเสียใจนะเพราะว่านั่นแหละคือเรากําลังมีการบ้านให้ให้สติมันทํางานคนที่ทําผิดนะทำการบ้านเยอะและผิดบ่อยเนี่ยโอกาสที่จะฉลาดก็มีนะโอกาสที่จะฉลาดก็มีเพราะามันผิดบ่อยนี่แหละมันถึงจะถึงจะฉลาดเรียนรู้จากความผิด ยงคนเราเรียนรู้จากความผิดได้ได้มากกว่าเรียนรู้จักความสำเร็จนะเพราะเรารู้จักแอนดรูวบิกนี่แหละแอนดรูบิกเนี่ยรู้จักไหมแอนดรูบิกเนี่ยเป็นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเขบอกว่าคนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษไม่เยอะเรียนมาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแต่ว่าพูดอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งเนี่ยมันมาเรียนภาษาไทยเนี่ย นะบางทีไม่ถึงปีเนี่ยพูดได้คล่องเลยเกิดอะไรขึ้นนะแอนดรูบีเขาก็พบว่าเป็นพราคนไทยเนี่ยกลัวผิดก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดนะคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวผิดเพราะกลัวผิดแต่จึงไม่ค่อยจึงไ ม, ไม่ไม่พัฒนาเนี่ยแอนดรูบี้บอกเนี่ยเขาเองเรียนภาษาไทยเนี่ยไม่นานนะแต่เขาไม่กลัวผิดพูดไปเรื่อยนะนะผิดผิดถูกๆนะ แล้วเขาก็เรียนรู้จากความผิดก็พูดให้ถูกมากขึ้น a n นดูี้นี่ผู้ภาษาไทยนี่สำเนียงดีนะแล้วเขาเรียนใช้เวลาไม่นานฝรั่งหลายคนก็เรียนใช้เวลาไม่นานเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กลัวผิดแต่คนไทยนี่กลัวผิดมากก็เลยไม่พูดพอไม่พูดเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้เรียนรู้เห้่การจุดรสติเหมือนกันนะอย่าไปกลัวฟุ้งนะทาไปเลยนะมันจะฟุง้งบ้างจะหลงบ้างช่างมัน แต่อยทําไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะเรียนรู้นะพอมันฟุ้งไปรู้ทันมันฟุ้งไปรู้ตัวฟุ้งไปรู้ตัวแต่เพราะเรากลัวฟุ้งเนี่ยเรากลัวมันจะผิดมันจะพลาดแล้วเลยบังคับจิตให้มันให้มันให้มันไม่ฟุ้งไปบังคับจิตไปเพ่งมันที่เท้าบางที่มือมั่งไปดักจ้องมันมั่ง ให้อิสระกับใจนะที่จะฟุ้งแต่ว่าเราไม่ได้วัดว่าฟุ้งมากฟุ้งน้อยเราวัดว่ารู้ทันได้มากรู้ทันได้บ่อยหรือเปล่านะการเจริสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วัดกันที่ว่าฟุ้งน้อยหรือฟุ้งมากหรือว่าสงบมากหรือสงบน้อยแต่ดูตรงที่ว่ารู้ทันได้บ่อยรู้ทันได้ไวไหมแล้วมันจะรู้ทันได้ก็ต่อเมื่อมันฟุ้งก่อนนะเหมือนกับมันจะถูกได้มันต้องผิดก่อน ถ้าไม่ผิดมันเจ้ามันก็ไม่ถูกเด็กถ้าไม่รู้จักล้มนะมันก็เดินเก่งได้ช้านะเด็กต้องยอมหรือกล้าล้มเด็กเขาถึงจะเดินได้ไวบางทีพ่อแม่กลัวเด็กกลัวเด็กล้มก็เรียกว่าประคองเด็กตลอดเด็กก็เลยมีพัฒนาการในการเดินช้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยนะประการที่1ก็คือว่าทำ บ, าบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเยอะๆนะเหมือนกับตักน้าให้เต็มแก้วโดยกระชอนอ่สองเนี่ยไม่กลัวฟุ้งนะเหมือนกับเหมือนกับเรียนภาษาอังกฤษเนะี่ยไม่กลัวผิดนะพูดไปเรื่อยผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวมันเรียนถูกได้เอง ที่หลวงพ่อเทียมว่าทําเล่นๆนะก็คือไม่กลัวผิดไม่คาดหวังว่าไม่ต้องถูกไม่คาดว่าไม่ต้องรู้ตัวตลอดแต่ว่าทําเรื่อยๆทําไม่หยุดนะทำทั้งวันเลยแล้วไอ้ร่องน้ำใหม่เนี่ยมันก็จะค่อยๆจะค่อยๆลึกค่อยๆกว้างขึ้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งนะน้ํามันเปลี่ยนทิศเลยนะมันเปลี่ยนทิศวันไหนก็ไม่รู้นะแต่มันเปลี่ยนแบบบางทีไม่ทันรู้ตัวเลยไอ้ที่เคย เคยไปล่องเก่าเนะี่ยมันเปลี่ยนเทมาล่องใหม่นะแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่นะเกิดขึ้นกับหลายคนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปวิตกกังวลทําทำไมมันยังมันยังฟุ้งอยู่มันยังไม่ค่อยรู้ตัวถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะพลิกเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราคอยมีความเพียรเอาไว้อา่าคำนี้ก็เพื่อนท่านนี้